โรเรียนมันมีมาทั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ว่ายุคใดสมัยใดไม่ว่ากับใดกันใดชีวิตของมนุษย์เราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ก็เพราะอาศัยการศึกษาเราเรียนนี่แหละเพราะมันมีครูมีอาจารย์สืบต่อกันมาโลกธรณีวัติอันนี้นะจากกระทั่ง อดีตการในพัฒกระบนี้แหละอันเมืองตะกับศีลานเป็นเมืองแห่งวิชาการต่ตางๆพวกกษัตริย์พวกเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรก็ส่งลกูกไปเรียนวิชาความรู้ ก, การปกครองประเทศชาติปันเมืองหรือวิชาการค้าการขาย ใครชอบใจวิชาอะไรก็เรียนเมื่อเรียนจบแล้วก็กลับไปบ้านเมืองของตนตก็ไปทำหน้าที่กา ร, รงานที่ตนศึกษาเ ร, าเรียนมาใ น, นบ้านเมืองจึงค่อยเจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาได้ในทางธรรมก็มีพวกฤาษี สมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกพระฤาษีเป็นผู้สอนธรรมให้แก่พระราชาให้แก่คุณระบุตู้ยังหนุ่มแน่นผู้สนใจในทางธรรมก็มีการศึกษาเรียนกันอย่างในนิทานเรื่องหนึ่ง มีหนุ่มคนหนึ่งไปเรียนวิชาความรู้กับอาจารย์อาจารย์นั้นมีมารดาตาบอดแก่ชรามากแล้วอาจารย์ก็เลี้ยงมารดาแล้นี่หนุ่มคนนั้นก็ไปเรียนความรู้กับอาจารย์คนนั้นอาจารย์ก็สอนวิชาความรู้ต่งตางๆให้ หมดเสร็จแล้วกลับไปบ้านมาไดาอยากให้รูปของตนออกบวชก็ไปถามลูกชายว่าลูกเรียนมาจบแต่รื้อวิชาความรู้อ่อาจารย์บอกว่าจบแล้วแม่บอกว่ายังไม่จบนะ อ้ายังไม่จบห้อาจารย์บอกว่าจบแล้วยังยังอะไรคุณแม่ยังวิชาความรู้อีกแขนงหนึ่งท่านเรียกว่าอิทธิมายาหรอือ ว, ว่ามายาของผู้หญิงวิชาข้อนี้แหละลูกยังไม่ได้เรียนให้กลับไปเรียนใหม่ให้ไปขอเรียนกับอาจารย์หมนั้น แม่บอกว่าแม่ของผมสั่งมาว่าขอให้อาจารย์สอนอิทธิมายาให้ด้วยเอางั้นอาจารย์ได้ฟังอย่างนั้นก็รู้ความมุ่งหมายของมารดาอยากแค่ให้ลูกของตนได้ออกปวดมานี่อาจารย์ก็ใช้ให้ลูกศิษย์เดินไปปฏิบัติมารดาของตน ซึ่งตาบอดแล้วก็แก่ชราง่อมเต็มทีแนละ้วแต่แน่อุบายให้เมื่อเธอไปอาบน้ำถูตัวให้แม่ของเราให้เธอชมความงามของแม่ของเรานะว่าแม่คุณแม่ใน่าอายุมากกว่านี้แล้วไฟยังลูกสวยลูกงามอยู่ถ้ายังหนุ่มกว่านี้ก็เห็นจะสวยงามมากเฮ่พูดอย่างนี้บ่อยๆ วันนี้เจ้าหนุ่มนั่นก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์สั่งเมื่อเอาคุณแม่ไปอาบน้ำวันนี้ก็ให้ถูเนื้อถูเต้อให้แล้วก็สรรเสริญรูปร่างสวยงา ม, มาหลายครั้งเขาก็คุณแม่ก็ชักจะนึกรักให้ชายหนุ่มคนนั้นขึ้นมาแล้วกระจนออกปากว่าอ้า เธอทำไมมาชมความงามของเราบ่อยๆนะักเธออยากขึ้นสวรรค์กับเราหรือไอ้หนุ่มนั้นก็แกล้งว่าอก็อยากนั่นแหละคุณแม่ทางนั้นก็เอาสิาโอ้ยผมทำไม่ได้อาจารย์ของผมก็เป็นลูกของคุณแม่ผมจะไปทำได้ยังไงโอยถ้าอย่างนั้น ให้ฆ่าอาจารย์ของเธอสักโอยผมฆ่าไม่ได้เป็นอาจารย์ของผมถ้าฆ่าไว้ได้เธอให้ทําเราไม่ตั้งแต่ที่อยู่ของเราในไปหาที่อยู่ของอาจารย์ของเธอออแล้วก็หามีดมาให้เราเอเราจะเปิดปัดคอ โลกซายของเราให้ตายไปเลยเราจะได้อยู่ร่วมกั น, น, นหนุ่มนั้นก็ทำตามที่คุณยายแนะนำแล้ก็หามีดให้เล่มหนึ่งเมื่อนี้ฝ่ายอาจารย์ก็เอาไม้ท่อนมาวางไว้ที่นอนของตัวเองแล้ก็เอาผ้าห่มคลุมไว้คล้ายๆคนนอนหลับอยู่นั้น ในเวลาเนี้ยหนุ่มนั้นก็พาคุณยายนันไปจับราวนันคุณยายก็จับตามือหนึ่งมือหนึ่งก็จับมีดเดินซาวราวเข้าไปพอไปถึงที่นอนของลูกชายแล้วก็เงื่อมีดขึ้นควันลงไปไปโดนเอาไห้ท่อนอย่างแรงแม่ก็เลยช็อกขึ้น เลยถึงแก่ความตายในขณะนั้นอฝ่ายลูกชายนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าชีวิตของแม่นั้นหมดลงแล้วก็เลยถึงได้ทำอย่างนั้นไอ้ชายหนุ่มนั้นเห็นเหตุ น, นั้นแล้วก็เกิดความสังเวชสะโลดใจเมื่อพิจารณาดูโอ้กี่ไรตันหานี่มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆหรือไง แก่งอมจนว่าจะเข้าโรงอยู่แล้วเมื่อมีใครมายั่วก็ยังเกิดความกำหนัดยินดีอยู่อย่างนี้นะชือว่าราคะตัณหานี่ไม่มีสิ้นสุดจริงๆองนั้นเกิดความเบื่อหน่ายในการคองเรือนขึ้นมาเลยร่ำลาอาจารย์แล้วก็เลยไปบวชเป็นพล ư ษีทีแรกก็กลับไปถึงบ้านาก่อน ไปถึงบ้านมานดาก็ถามเป็นไงลูกไปเรียนมาแล้วหรือวิชาที่แม่บอกว่าอิทธิมายาโอ้ยลูกเรียนมาแล้ววันนี้อาจารย์สอนให้แล้ววันนี้ลูกชายก็เลยต่ําลามานดาพิดาขอไปบวชลูกชายก็จึงได้เข้าป่าไปบวชเป็นพระฤษีสมัยนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บังเกิดขึ้นในโลก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจิตใจของคนเราที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนีมันก็เกี่ยวข้องอยู่ในกรรมคุณตั้งแต่หนุ่มจนถึงวันตายนู่นบุคคลผู้ไม่เห็นโทษเห็นภัยมันไม่ใช่ว่าอายุมากมาแล้วกิเลสเหล่านี้มันจะหมดสิ้นไปเอง โดยที่ไม่ได้ทาความเพียรละมันนะไม่ใช่นะอืมถ้าไม่ได้ทาความเพียรภาวนาเจริญพระกรรมฐานละมันแล้วมันไม่มีทางที่มันจะหมดไปจากขิตใจนี่มันมีอยู่อย่างนั้นความรักความใคร่ความโกรธต่างๆอยู่นี่นะผู้ที่มาเห็นโทษของความรักความใคร่ดังยกตัวอย่างให้ฟังมานั้นเน่ย นั่นแต่คนมีปัญญามีบุญวัฒนาเพื่อนเห็นเหตุผลดังนั้นแล้วแต่ยังรู้สึกเบื่อหน่ายล้ำลามานดาบิดาออกไปบวชจนตลอดชีวิตไปเลยแล้วก็เป็นอุปปิเัยปัจจัยเรียกว่าบำเพ็ญเดกคมะมบารมีให้แก่กล้านั่นเองเลยการเป็นนักบวชนี่นะบารมีอื่นๆก็บำเพ็ญไปด้วยกันนะ แต่ว่าจุดสำคัญมันอยู่ที่เนคข ม, มะบารมีการเป็นนักบวชถ้าผู้ใดยังมีจิตฟกไฟอยู่ในการมคุณอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ชื่อว่าบมเพนน็ญเนคขมะบารมีถึงแม้จะนุ่งเหลืองหม่มเหลืองโกนผมโกนคิ้วก็ตามมันก็เป็นเพศนักบวชแต่ร่างกาย เท่านั้นเองแต่จิตใจไม่ใช่นักบวชแล้ว น, น, นานานานาปากันเข้าใจนักบวชนี่มันต้องถอนตนให้ห่างไกลจากกิเลสกรรมวัตถุกรรมทั้งทางกายทางวาจาทางจิตใจด้วย อ, อย่างนั้นมันจึงสมเก่าเป็นนักบวชจริงเป็นอุาสกวุาสิกา พระพุทธเจ้าข อ, อวางระเบียบไว้แล้วเจ็ดวันครั้งหนึ่งเว้นจากกิเลสกรรมวัตถุกรามทางกายทางวาจาทางจิตใจตั้งแต่ไหนสเลยมาในวันสิบห้าค่ำวันแปดค่ำเดือนดับเดือนเดือนดับเดือนเพนเดือนหน่งมีอยู่สี่ครั้งอันนี้เป็นวันรักษาอุโบสถ ของกูบำเพ็ญเนคข ม, มะบ ร, รมีไม่ว่ายุคใดสมัยใดในนิทานเรื่องพระโพธิสัตว์นั้นท่านยังกล่าวไว้บางทีพญาอินก็ยังลงมารักษาศีลโอสถอยู่ในสวนอุทยานของพระราชาในเมืองพระราศีพระราชาก็ไปรักษาโอสถศีลอยู่ในสวนอุทัยานพญาคุธพยานาค ก็มารวมกันรักษาศีลโอมโมสถอยู่ในสวนอุทยานนั่นอย่างนี้ก็มีเพราะว่าอยู่สวรรค์มันลื่นเ ล, ง, ลงบันเพิงไปได้รูปเสียงกลิ่นรสไม่ไม่มีช่องทางที่จะรักษากายวาจาใจตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สงบระงับได้แม้อยู่เมืองนาคตองเหมือนกันเนี่ย เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดังนั้นเพื่อยังีหนีขึ้นมาสู่มนุษย์โลกและมารักษาโอตบสดสินโยนี่น่ะชาวพุทธทั้งหลายควรรู้ไว้ระเบียบข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะสำหรับผู้คลองเรือนที่จะให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้บวชได้เรียนในพุทธศาสนานต่อไปนี่ มันต้องรักษาโอสถศินในวันแปดคำ่ำในวันสิบห้าค่ำเดือนดับเดือนเพนแต่สมัยเทุกวันนี้โลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปวันหยุดงานเอาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เดือนหนึ่งก็มีสี่เสาร์สี่อาทิตย์เหมือนกันผู้ที่ทำราชการงานเมืองอย่างนี้ การักษาโอโบสถใช่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้แต่คนส่วนมากไม่ค่อยสนใจกันเลยเรื่องโอโบสดศิลนะมีสนใจกันแต่คนหมู่น้อยไม่กี่คนแต่ละวัดเท่าที่สังเกตดูแล้วโดยเข้าใจว่าไม่เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ครองเรือนแท้ที่จริงแล้วมันเป็นการบำเพ็ญเนกขมารบารมีของผู้ครองเรือน ถ้าหากว่าไม่บำเพ็ญบา ร, รมีข้อนี้ให้เกิดมีขึ้นชีวิตจิตใจนี้ก็ห่างไกลาจากพันิพยานคือว่านานบรรลุถึงซึ่งพันิพานเพราะว่าจิตใจยังผูกพันอยู่ในกรรมมคุณมากมายเช่นนี้นี่จะไปประกอบความเพียนภาวนาให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี่ไม่ได้เลย ต้องรักษาอโมทตสินนี่ทำกิเล ส, สกรรมวัตถุกรรมนี้ให้เบาบาง อ, อกไปจากจิตใจชาตินี้บ้างชาติต่อไปบ้างนานเข้ากิเล ส, สกรรมวัตถุกรรมเหล่านี้มันก็อ่อนกำลังลงเพราะว่าเป็นผู้มั่นสำรวมระวังสมถานมั่นในสินอโมทตเดียวก็สำรวมจิตใจไม่ให้ปักไฝ่ไปในกรรมทั้งหลาย เช่นนี้นะมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปค่อยทำกิเลสตัว น, นี้ให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้นั่นแหละผู้มีอินทร์บารมีแก่กล้าเมื่อได้เกิดไปพบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็มีศรัทธาออกบวชเพราะเหตุว่าโดยอาศัยเดชธรรมบารมี อา น, นิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลนั่นเองนอนบันดาลให้เกิดความพอใจในการบวชในการถอนทนออกจากกิเลสกรรมวัตถุกรรมทั้งหลายมันมีเหตุผลมาอย่างนี้ความเป็นนักบวชนี่นะแทนผู้ดใดไม่สนใจที่จะรักษาอุโบสถศีลนี่ก็ ต, ต้องเที่ยวไปในวัสาสุงสารนี่นานแสนนานจนควรจะได้ นักปราชญ์บัณฑิตท่านแนะนําสั่งสอนให้รักษาโอสถศิลจ น, นมีศรัทธาเชื่อคํานักปราชญ์บัณฑิตนั้นมารักษาศิลโอสถตามไปเมื่อใดเมื่อนั้นแหละวะ น, นี่บารมีสิบประการนั้นถึงจะได้แก่กล้าพร้มพอมๆกันไปคนโสดมากนั่น บารมีอย่างอื่นก็หดูมันจัดสร้างกันไปเรื่อยๆแต่ในขัมมาบารมีเนี่ยไม่เคยคิดสร้างกันเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นชิองอยา ก, กเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ในที่นี้ตับไปล่าเลยสำหรับผู้คลองเรือนแล้วในการรั ก, รกษาโอวสตรินเรือหนึ่งสี่ครั้ง ไม่มีโอกาสจะรักษาอยู่ในวัดได้ก็รักษาอยู่ในบ้านก็ได้ถ้าหากว่าในบ้านนั้นไม่ไม่คุกคลีไม่อึกระทึกคืกคงเกินไปอย่างในเรื่องแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นบ้านของอาาถามินีกระมาเทศฐีนี่ถึงวันอุโบสถแปดข้าิ้าข้ามมาท่านเศรษฐีให้ หยุดงานรักษาโหวตสินกันคนในบ้านทั้งบ้านเลยทีเดียวแม้ถึงเด็กเล็กก็ยังให้รักษาโหวตสินถึงว่ามีคนมารับจ้างทำงานให้ใหม่ๆยังไม่รู้ระเบียบของบ้านนั้นวันนั้นคนใช้ไปรายญาสวนหลังบ้านก็สายจึงกลับเข้าบ้าน เห็นคนเงียบอยู่ไม่เห็นมีใครเรียกร้องเด็กๆก็ไม่เห็นเรียกร้องกินข้าวกินน้ำอะไรกันจึงได้ไปถามแม่ครัวบอกว่าวันนี้ทำไมเงียบนะักแต่วันก่อนๆยังเห็นเด็กเล็กๆเรียกร้องกินข้าวกินน้ำกันอยู่แม่ครัวจึงบอกให้ทราบว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถศีล คนทั้งบ้านเนี่ยรักษาศีลกันหมดเลยตลอดลูกเล็กเด็กแดงเหมือนกันมก็เกิดศรัทธาขึ้นไอคิดในใจบอกว่าเออเราถ้าจะไม่ได้ทำกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จึงได้ทุกข์ยากลำบากอย่างนี้ก็ การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้เลยพรามมุ่งหมายก็เพื่อที่จะฝึกผนจิตใจนี้ให้หลุดให้พ้นไปจากกิเลสตัณหาอันเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์พระพุทธเจ้านั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาจนเต็มบริบูรณ์แล้ว พระบารมีธรรมน่ะกํำจัดกิเลสตัณหาออกจากพระทยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปแต่บุญบารมีที่พระองค์สร้างมานั้นอาจจะมาให้ขับไล่กิเลสลดลําพังโดยที่พระองค์ไม่ได้ทําความเพียรก็ไม่ได้อีกอืเราต้องถือเอาใจความอย่างนี้นางแกเห็นได้เถอะ เมื่อบุญบารมีแก่กราเต็มบริบูรณ์แล้วกับบรรดาให้พระองค์ได้หนีออกบวดไปแสวงหาสถานที่สงบสงัดบำเพ็ญสมณธรรมเจริญสมถะอิรสนาอยู่ในป่าแต่มันมีคำบางสีบางอย่างมาขัดขวางพระองค์ยิงได้ทรมานพระวรากายอยู่ ตั้งหกปีกว่าจะได้ ต, ดตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแต่ในตำรากล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็ไม่ได้ทรมานพระกายให้มากมายตั้งหนาเพียงแต่บำเพ็ญอยู่สามวันเจ็ดวันก็ได้สําเร็จสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเช่นอย่างประวัติพระศรีอริยะเมตตาอย่างนี้ประวัติของพระศรีอริยเมตตานั้น เมื่อท่านครองราชสมบัติมาได้สี่หมื่นปีมุญบา ร, รมีก็มาถึงแล้วเ่บรรดาในท่านสะละราชสมบัติออกบวชพอไปบำเพ็ญอยู่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้เกศเจ็ดวันเท่านั้นเองก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก ไม่ได้ทรมานพระวรากายลำบากเท่าไหรนักส่วนพระพุทธเจ้าของเร า, ร า, า, เานี่มันมีกรรมบางอย่างมาขัดขวางทำให้พระองค์ต้องทรมานพระองค์เอาซะแสนยากแสนลำบากกว่าจะได้สัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาดู ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าคนเรานี่ถ้าไม่รู้จักทุกแล้วก็มันจะไม่แสวงหาทางโอกาสทุกเลยก็คเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าถ้าหากว่าสัตว์โลกนี้ไม่มีความทุกข์ครอบงามแล้วศา ส, สนาก็ไม่มีเลย ผู้จะสร้างบา ร, รมีปรารถนาเป็นอุุพเทเจ้าก็ไม่มีเพราะว่าเมื่อมันไม่มีความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์เราแล้ ว, ลวไม่ทราบว่าจะไปสอนในคนละเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างไรในเมื่อมันไม่มีทุกข์ดังนั้นเรื่องของศาสนาเนี่มันจึงเป็นเรื่องที่ว่าสอนในคนเรารู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์ รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจุดมุ่งหมายโดยแท้จริงอยู่ตรงนี้แต่เหตุที่พระองค์เจ้าทรงแสดงมากมายหลายเรื่องหลายประการนั่นก็เพราะว่าคนอินทรียังอ่อนอยู่มีอยู่ถมไปสาหรับคนอินทรีย์แก่กล้าแล้วพระองค์ไม่ได้จะแสดงมากมายอะไร แสดงไปนิดหน่อยท่านเหล่านั้นก็รู้ก็หลุดพ้นไปแล้วดังนั้นให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายของพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่ความเจ็บความตายนี่นะ่ะครอบงมร่างกายสังขาร น, นี่บีบคั้นร่างกายนี้ให้แปรผันวันไวกระทบกระทั่งกับดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ จิตนี่เมื่อไม่รู้เท่าทุกเหล่านี้ก็บวนปั่นวันไว้ล่นล้นกระซับกระทาใอจึงที่ว่าเป็นทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจมันมีทุกข์อย่างนี้แหละแล้วคนผู้ไม่มีบุญวาทนาบรารมีไม่มีปัญญาแก่กล้าด้วยอํานาจบุญบรารมีแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้จัก รู้เท่าทุกและไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ได้อืมไม่รู้จักอุบายวิธีที่จะดับทุกข์ทางใจเนี่ยไม่ทราบว่าจะดับอย่างไรอ่ะไม่มีเลยไม่มีใครรู้ได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกหมู่มนุษย์ก็ทนทุกข์ทรมานไปอยู่อย่างนั้นแหละผู้มีบุญวาสนาก็ยังชั่วหน่อยเป็นจากความชั่วได้ส่วนผู้นี้ อุนวัฒนาน้อยนั่นก็พากันทำบาปทำกรรมอะไรใส่ตัวเองมากมายไม่มีผู้สอนอานนี้ในพวกเราที่เกิดมาในยุคนี้สมัยเนี้ยได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วแล้วก็ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถึกรู้ถูกขึ้นมาได้ตนเอง แล้วก็พอที่จะมองเห็นทุกภายในสงสารได้อยู่ไม่ใช่เหรออจริงอยู่คนยังหนุ่มยังแน่นนะก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่หรอกถึงความแก่ความเจ็บป่วยไข้ความตายก็ยังหนุ่มแน่นก็เพราะอาศัยความหลงในความหนุ่มแน่นอันนี้เนี่ยเป็นเหตุนะทําให้มนุษย์เราเพลินไปในโลก ไปก็ไปถูกบ่วงแห่งมานคล้องเอาเสียเป็นเหตุให้ไปมีครอบครัวตัวเรือนสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นไปมีพันธนาการเข้าไปอย่างเหนิวแน่นถอนตัวออกไม่ได้แม้จะทุกข์ยากลำบากอะไรก็สู้ทนอดกั้นอยู่นั้นแหละเพราะว่ามันถูกกิเลสกราร ม, มาตัณหา ผูกพันจิตใจมัดรัดลึงจิตใจเอาอย่างเหนียวแน่นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้ที่ท่านมีบุญวาสนามีบา ร, รมีรู้ตัวเมื่อได้ฟังคำสอนของอุตเจ้าแล้วมองเห็นร่างกายสังขาร น, นี่ไม่กิรังยั่งยืนอะไรเกิดมาแล้วก็ถูกความแกมความแก่ ม, มันบีบพันไป ความชลาสุดโรงบีบขั้นเข้าไปเรื่อยๆไปเมื่อร่างกายได้อ่อนแอลงเอ้าโรคภัยไข้เจ็บก็บีบขั้นก็เกิดขึ้นอย่างเนี้เมื่อโรคภัยไข้เจ็บบีบเปลี่ยนเข้าไปมันก็ใกล้ต่อความตายเข้าไปเรื่อยๆคนเราทําไมเจ็บป่วยไข้ไม่ตายอย่างนี้แหละเอเที่มันตายเพราะมันเจ็บป่วยไข้นี่นหะหนักเข้าก็ทนอยู่ไม่ไหว อันนี้ถึงแม้ว่าตนยังหนุ่มยังแน่นอยู่ก็ตามแต่ถ้าเราคาดการล่วงหน้าไปคงไม่ผิดแน่เมื่ออยู่ไปนานปีนานเดือนไปร่างกายนี้มันก็ทุดโทมไปเรื่อยเหมือนอย่างคนที่เกิดก่อนก็ทุดโทมมาให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละเราต่อไปก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างพะระรีวตะสามเณรประวัติเนี่ย อายุเจ็ดขวบหนึ่งนี้มารดาไปสู่ขอหญิงที่มีตระกูลเสมอกันให้เพราะว่าพี่ชายพี่สาวออกบวากหมดในครอบครัวของท่านพรษสารีบุตร ย, ยังกะเลวะตะคนสุดท้ายนั่นนี่วันนี้ญาติพี่น้องก็มาปรึกษากัน ถ้าไม่แต่งงานให้นี่เดี๋ยวมันก็จะออกบวตสามพี่สาวพี่ชายไปหมดจะไม่มีใครครอบครองสมบัติอันนี้เลยเก็จกึงทาพิธีไปถูกขอหญิงอายุเรารุ่นร า, รนราคราวเดียวกันละกิตระกูลเสมอกันทมเนียมแขกอินเดียผู้หญิงต้องมาถู่ตระกูลผู้ชา ย, ยาเมื่อเข้าสู่พิธีวิวาหะ ก็สู่ขวันกันตามธรรมเนียมนะคนแก่ก็ผูกแขนให้ปากก็ว่าเออขอให้หลานนจงมีอายุออยืนยาวนานเท่าแก่ชลาออแก้มตอบฟันหลุดขมหงอกตาฝ้าฟางเหมือนคุณตาคุณยายนี่นะเนอะอนี เอเดวตาธได้ฟังอันนี้นก็เลยถามอ่ะเอ๊ะคุณยายผมต่อไปเนี่ยผมก็จะเป็นเหมือนอย่างคุณยายเหลือหวังงั้นอ๋อก็แน่นอนเนะก็เป็นเงี้ย อ, อยู่นานปีนานเดือนไปออะความแก่ชราครอบงำเข้ามาก็เหมือนอย่างคุณยายนี่แหละ ว, วังงั้นเดวตาธได้ฟังอย่างนั้นก็ น, นึกถ้าเป็นเช่นนั้นนี่เราจะคอบคลองเรือนไปทําไม เป็นด้วยเหตุนี้เนอะพี่ชายพี่สาวของเราถึงได้ออกปวดกันไปหมดท่านคงพิจารณาเห็นพอไม่ยั่งยืนของร่างกายอย่างนี้แล้วคออิดแล้วก็ไม่พูดให้ใครฟังลนะจำไว้ในใจพอเสร็จพิธีถูกขวัญอะไรเ่าอะไรกันแล้วออสมัยนั้นรถราไม่มีก็เอาช้างนะเป็นพาหนะเอา ฝ่ายหญิงกับฝ้ายก็ขึ้นขี่คอช่างด้วยกันแห่แห่แทนดามกันไปสู่บ้านฝ่เจ้าบ่าววันี้ฝ่ายเจ้าบ่าวเลยว่าตาคุมมานนะไปไปหน่อหนึ่งก็ทําท่าปวดท้องเฮ้ยเราปวดท้องนะผ่อนช่างก็บังคับช่างให้หมูลงเลวาตา ก, ก็ลงจากหลังช่างแล้วก็บอกว่า ให้ให้ให้ไปก่อนนะเอาจิตามหลังไว้ดอกตักค็ลงจากหลังช่างแล้วก็บอกว่าให้ให้ให้ไปก่อนนะเอาจิตามหลังไปดอกก็เดินเข้าป่าไปอยู่หนอนหนึ่งก็อ่เดินตามหลังไปไปขึ้นขอช่างอีกไปไปหน่อนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ปวดท้องอีกแล้วไม่ไหวะ ก็ลงจากหลังช้างไปก็บอกว่าอ้าให้พากันเดินไปเรื่อยๆนะเราจะไปตามหลังก็ทีแรกเลวะตะ ก, ก็กลับไปขึ้นช้าง น, นั้นนี่ก็พากันเชื่อนะเชื่อว่าเลวะตะกุมารจะตามหลังไปทรั้งที่สองนี่เพื่อนก็ร่นดัดไปไม่มีจุดหมายแล้ววันนี้เข้าป่าไปเรื่อยไปทางนั้นเดินไปหน่หนึ่งไม่เห็นก็ หยุดช้าคอยยังไงก็ไม่เห็นก็เลยตามหากั น, นยังไงก็ไม่พบเลยเลยประตะกลุมมากก็โดนด้านไปก็ไปเจอวัดป่าแห่งหนึ่งเข้าก็เลยเข้าไปในวัดนั้นไปขอบวชกับพระในวัดนั้นพระท่านทีแรกท่านก็บอกว่าคุณนี่เป็นจะไม่ทราบว่ามาจากไหนเป็นลูกเศรษฐีพระบรี หรือเป็นลูกพระราชามหาการ์ศยังไงกไ็ลูกพ่อแต่งตัวเต็มยศอย่างนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วหรือยังอ่ะว่านนั้นเส น, นระตากุมารจึงได้กราบเรียนท่านอุปชาว่ากระผมนะไม่ใชอ่ออื่นไกลเป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรเถระเจ้านั่นแหละว่างั้นเออผม เบื่อหนายในการที่จะอยู่บ้านอยู่เรือนเห็นพี่ชายพี่สาวออกบวชกันไปหมดแล้วผมก็หนีออกมาขอบวชกับพระคุณเจ้านี่แหละว่วางั้นขอพระคุณเจ้าไดเมตตาให้ผมได้บวชเถิดเออถ้าเป็นน้องชายท่านพระสารีบุตรเราจะบวชให้เพราะท่านก็มาสั่งไม่นี่แหละว่วางั้นถ้าหากว่าน้องชายของผมมาขอบวชให้กับ ถึงว่ามารดาผมจะไม่อนุญาตก็ตามแต่ผมอนุญาตแล้วเพราะมารดาผมเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านไม่ยินดีในการบวชการเรียนนี้ในพระพุทธศาสนานี่เลยว่างั้นท่านก็ได้บวชให้พ mm. อบวชแล้วอุปชาก็สอนข้อวัดปฏิบัติให้ให้รู้จักรักษาศีล แล้วก็สอนกรรมฐานสมถะกรรมฐานให้ให้รู้จักวิธีนั่งสมาธิเจริญพระกรรมฐานแล้วก็บอกทางดําเนินวิปัสนากรรมฐานให้เทพสัสามเณร<ม>ก็เรียนเอาตามที่อุปชาแนะนำสัสอนนั้นได้คล่องแคล่วดีแล้วก็นึกว่าถ้าขืนอยู่นี่ไปบางทีญาติพี่น้องเที่ยวเสวะหาเจอเขา้าเดี๋ยวก็จะเอาไปศึก ในคลองเรือนเนี่ยอย่าเลยเราจะขอลาอุปชาไปอยู่ตามชนบทวันนอกเลยห่างไอยากคงตามไม่ทันทันแล้วก็ไปปรรกให้อุปชาฟังอุปชาก็อนุญาตไม่ขัดข้องทาาาันเทวสาธ์รมเนรก็ล่ำลาอุปชาแล้วเดินทางไปที่ดูตั้งแต่วัด เชตะวันไปพระศาสดาไปเยี่ยมกับพระสงฆ์ห้าร้อยทางรัฐแท้ๆเดินไปตั้งเดือนหนึ่งคนน่ะเดวาตาสามเณรสามารถเดินทางไปคนเดียวอายุเจ็ดปีเท่านั้นแหละถึงบ้านนอกเข้าใจว่าเดินทางเราเป็นเดือนเดือนนะคงคงหลายกว่านั้นอีกเพราะว่าตามตำรา บ, บอกไว้ว่า ถ้าไปตามทางที่มีหมู่ว่านเป็นระยะไปนั่นต้องเดินทางสองเดือนนะกลัวจะถึงนะแต่นี้พระศาสดาทรงเดินทางรัดไม่มีหมู่ว้านนะจึงได้เดินได้เพียงเดือนเดียวจึงถึงนะที่ดไกลประนะนะันเน่ยเด็กสมัยนี้อายุเจ็ดปีจะรู้เรียงสาอะไรแล้วนะนะ่นเนี่ยคนมีวาสนาบา ร, รมีกับคนไม่มีบุญวาสนาเนะี่ย มันต่างกันไปนั่นแหะดังนั้นเมื่อท่านไปถึงที่อยู่แล้วแล้วก็เห็นนึกว่าญาติพี่น้องคงตามมาไม่เห็นแล้วก็เลยไปอยู่จำพรรษาในป่าไม่สะแกเข้าใจว่าคงไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านเท่าไรนักพอวินเบทบะถึงชาวบ้านก็คงเลื่อมใสเลยไปทําที่พักอาศัยให้ ท่านก็อยู่เจริญธรรมถ่ยพุทนาคนเดียวโดยไม่มีใครแนะนำสั่งสอนนั่นแหละคนมีบารมีแก่กล้าแล้วมันช่วยตัวเองได้สอนตัวเองได้เลยอายุแค่เจ็ดขวบเท่านั้นเองท่านทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยอยู่ตลอดพรรษาก็ได้สำเร็จอรหัสตะผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทายาน แต่ขานในอัตในธรรมแล้วก็ทั้งมีอิทธิฤทธิปาฏิหารเป็นอย่างดีเนื้อออกภรษาเรวยภาษาสดากับท่านภาษาเรียบุตรพโมกคันลาพระมหากสปะให้ใครรวมแล้วก็ห้าร้อยรูปตามเสด็จพระองค์ไปเยี่ยมเลยพสารสามเณรเพราะว่าเทวสารีบุตรนั้นก่อนเข้าวรรษาก็ไปกราบทุลลาพระองค์แล้วจะขอไปเยี่ยมน้องชาย เพราะน้องชายนั้นไปไปอยู่คนเดียวไม่ทราบอยู่อย่างไรพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าเลวะตะสามาเณร น, นั้นสามารถช่วยตัวเองได้พระองค์จึงห้ามไว้ดูก่อนสาธุบุตรอย่าเพิ่งไปก่อนออกพรรษาแล้วค่อยไปเราจะสาคุก็จะไปเหมือนกันธรามสาธุบุตรก็อยู่ท่านก็รู้ว่าพระศาสดาคงคงรู้แล้วว่าน้องชายของตนเนี่ย คงช่วยตัวเองได้จึงได้ห้ามไว้อย่างนี้ว่างั้นพอพรษาแล้วพระองค์ก็เสด็จไป <c oughs> อย่างว่าเดินไปทางลัฐอาศัยบินถวา ก, กับเทวดา <c oughs> เดือนหนึ่งเพียงค่อยถึงเลขาศาสตร์สมณเณร เ, เป็นผู้มีฤทธิ์ ร, รู้าศาสตราและพระพี่ชายตลอดถึงภาษาวกอื่นๆ รวมห้าร้อยลูกมาเยี่ยมตน้นท่านก็เข้าฌานแล้วอธิษฐานนิรมิตรให้มีกุฏิถึงห้าร้อยหลังตามลำดับกันพระคันท้ากุฏิพระพุทธเจ้าหลังใหญ่กูเพื่อนของอักษาวาอกไส้ขวากลองลงมาโดยลำดับอย่างนี่ในบริเวณนั้นเลยเป็นวัดว า, ารามใหญ่โตมโหฬาร ก็กุติมีถึงห้าร้อยหลังท่านนิรมิตขึ้นไว้ตอนรับ菩萨ตศาและพระสงฆ์เมื่อษาตศาไปถึงเนวตฏฐะสามเนนก็เป็นสาเร็จอรหันและท่านฉลาดในการปฏิสันฐานนิมนต์อราตน菩萨ตศายภาคกุติหลังนู้นเพราะที่ชายอาคัตท่านธรภาษาดิบุตรหลังนั้นหลังนั้นท่านก็จาแนก ไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นพระศาสดาก็ทรงประทับอยู่ในที่นั้นถึงเดือนหนึ่งเข้าใจว่ากองบินทบัทกับเทวดานั้นหรือไงท่านไม่ได้กล่าไวไว้ตอนนั้นนะหรือว่าไปบินทาบาทในหมู่บ้านก็ไม่รู้คงไปบินทาบาทในหมู่บ้านที่เลวะตะสมณเณรอาศัยอยู่นั่นแหละ เทว ด, ดาก็อาจมาตักบาตรอีกด้วยเางก็อยู่ที่นั่นฉลองศรัทธาของเลวะตะสามเณรยนนะอยู่ตั้งเดือนหนึ่งมีหลวงตาสององคุยกันนะในเวลาที่อยู่ในนั้นนะโอ้ยไอสามเณร น, น้อยเนี่ย จะเอาเวลาที่ไหนมาบำเพ็ญธรรมธรรมมามัวแต่มาสร้างพุตธิวิหารอย่างนี้ถึงห้าร้อยหลังอางนั้นคงไม่มีเวลาที่จะมาเจริญธรรมถายอิรินาให้สำเร็จมรรคผลอะไรแต่นี้พระศาสดาเสด็จมาเยี่ยนนี้เพราะเห็นแก่หน้าท่านพระสารีบุตรคูเป็นพี่ชายของในประสาทสมณเณรเฉยๆเนี่ย หลวงตาสององคุยกันนะพระศาสดาทรงรู้กว่านี้พอถึงอยู่ได้ดวนเดือนหนึ่งแล้วก็เสด็จกลับไปพระองค์ก็บรรดารให้หลวงตาสององนั้นลืมรองเท้าไว้ในบริเวณนั้นพอเดินไปได้หน่อยหนึ่งพอระลึกได้โอ้ลืมรองเท้าแล้วว่ะงั้นพากันกลับไป กลับไปที่ไหนได้เห็นแต่ป่าไม้สะแกกุติหลังหนึ่งก็ไม่มีแบบนี้ถ้าจะมีก็คงจะเป็นกุติกระท่อมของลายเลเรวตาสมเด็อยู่เท่านั้นเองนะน้แล้วก็ไปเห็นรองเท้าห้อยอยู่กิ่งไม้สะแกวร์นั้นหากันเอารองเท้าแล้วกลับไปพอไปถึง วัดเชตวันแล้วธรรมดาระเบียบนางวิสาขาท่านภาวนาไว้พระพุทธเจ้าก็ได้รือพระสงฆ์สาวกกรุปใดเดินทางไกลเน็ตเตยเมื่ยล่ามาถึงวัดเชตวันนาลเนยวันรุ่งขึ้นไม่ต้องไปบินธบาีต้องตรงไปบ้านนางวิสาขาเลยไปฉันบินธบาีที่นั่นเลยมาดีลูกชายมาก็ พระศาสดาก็เสร็จเด็จไปบ้านนางวิสาขาพร้อมด้วยพิกุ5ห้าร้อยลูกนางวิสาขาก็ไปถามดวงตาสององนั่นน่ะเป็นยังไงที่อยู่ของท่านเลวตาสามเนรน่ะดีไหมโอ้จะดีอะไรมีตั้งสาบาไม่สะแกไม่เห็นมีอะไรหวังนั้นตอนนั้นพระเลวตาสามเณ น, นท่านคลายฤทธิ์ออกแล้ว อันนี้นางวิสาขายังไปทูลไปเรียนถามองค์อันอื่นก็นอื่นก็ว่าโอ้โวัดของเลวสารตามเนนี่สวยงามจังพุทธวิหารด้มิตรของดีดีมดนางวิสาขายังไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าทำไมความเห็นของพระเหล่านั้นถึงไม่ตรงกันวหนอพระองค์เจ้าจึงทรงรับสั่งว่าธรรมดาพระขีนาศกนี้ อยู่ที่ไหนจะเป็นที่ลุ่มก็ดีที่ดอนก็ดีในป่าก็ดีในเมืองก็ตามย่อมย่อมเป็นรัมมนิยสถานเป็นสถานที่น่าลื่นเลงบันเทิงข้ั้งนั้นแหละว่างั้นนางวิสาขาก็จึงคลายสงสัยว่าเลวะสาสมณีนี่สำเร็จอราหาันแล้วแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงพยากรอยู่ในตัวแล้ว อย่างนี้แหละในขั้งพุทธเจ้าน่ะ น, นะให้พ า, ากันฟังแล้วเอาไปคิดไปตรองนะท่านผู้มีบุญวาสนาบรารมีแม่อายุได้เจ็ดขวบหนึ่งพอได้ฟังคำพูดของคนะเท่ากแก่เท่านั้นแหละยังเอาไปถูกคิดเลอเออเรานี่อยู่ไปนานปีนานเดือนไปก็โกงแก่ชรางอมเหมือนกับคุณตาคุณยายเหล่านี้แหละ อ้าวใชางั้นจะไปคลองเรือนให้มันลา บ, บากทําไมเราหนีออกบวช ด, ดีกว่าท่านยังได้พยายามหาทางหนีออกไปบวชจนได้นี่เราสรูปใจความแล้วว่าพุทธศาสนานี่จะเกิดขึ้นมีได้ก็เพราะความทุกข์นี่แหละมันครอบงำชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยนี่โดยเฉพาะหมูมนุษย์นี่แหละแต่ถัดติระฉานนั่นมันก็มีบาง จำพวกบางตัวที่เรื่อมไสในพุทธศาสนาเนี่ยมีแต่ว่ามนุษย์เรานี่แหละเมื่อถูกทุกข์ครอบงาเข้ามาแล้วไม่รู้ไม่รู้จักผลทางออกจากทุกข์้วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเร็งงานดูตอนเป็นเทพพระบุตรอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตว่าคนในยุคนั้น เป็นคนมีบุญวัสนาทรงรู้แจ้ง mm hmm. เป็นคนมีวุญญวัสนาบารมีได้สั่งสมอบรมร่วมกับพระองค์มาตลอดถึงพระบิดาพระมารดาอง์ศาคณาญาติต่างๆอยู่ในสมัยนั้นอนะ่ะล้วนแต่ได้สร้างบารมีติดสอยห้อยตามพระองค์มา mm hmm. เมื่อพระองค์ไปเกิดในสกูลกษัตริย์นั้นแล้ว ก็จะได้เสด็จออกปวดตัดสรุปเป็นผิ้ชายแล้วมาโปรดพระญาติพระวง์นั้นก็จะบรรลุมรรคผลพ้นทุกข์พ้นภัยไปตลอดถึงชาวบ้านชาวเมืองต่างๆที่ได้สร้างบา ร, รมีตามพระองค์มาเพื่อพระองค์เทศนาสั่งสอนเอาก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ภยในสงสารอันนี้ไปได้จะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน ไม่ต้องเที่ยวมาเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้จุติจากสวรรค์ชันดุสิตลงมาปฏิสนธิในท้องของพนางสิริมหามายาเทวีผู้เป็นอัคคมเหสีของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชธรรมดาผู้มีบุญนักสักใจ่เมื่อจะมาเกิด ก็ต้องมาเข้าฝันะมานดาะมานดาฝันเห็นช่างเผือบรูปร่างสวยงามลอยมาแต่อากาศนั่นน่ะมาเข้าท้องของนางอย่างนี้เมื่อตื่นขึ้นก็เล่าความฝันให้พระเจ้าสุโธธนะฟังพระเจ้าสุโทธทน ะ, ะทนะก็พิจารณาว่า ไอ้ลูกคนนี้จะมีบุญหนักสักใหญ่แน่นอนทีเดียวพอพระองค์ประสูติออกมาก็จึงว่าเกิดอัศจรรย์ขึ้นทรงพระดำเนินเดินไปเจ็ดเก้าได้อย่างเด็กธรรมดาสามัญที่ไหนมันจะเดินได้อยู่นั้นพอเดินไปได้เจ็ดเก้าแล้วก็เปล่งอุทา น, นว่าเรานี่เป็นผู้ ประเสริฐสุดในโลกไม่มีใครที่ประเสริฐยิ่งกว่าเราชาตินี้เป็นชาติที่สุดของเราชาติอื่นอีกต่อไปไม่มีแล้วดเนเสงอุทานอย่างนี้ขึ้นในตำราท่านกล่าวไว้ว่าการที่พระองค์เสด็จทรงพระดำเนินไปเจดเก้านั่นเป็นลิมิตแสดงให้เห็นว่าเมื่อพระองค์ เจ้าออกบวชตัสรุแล้วจะเผยแผ่ศาสนธรรมคำสอนของพระ อ, องค์นี้ไปได้เจ็ดหัวเมืองใ ห, ใหญ่ในประเทศอินเดียครั้งนั้นอันนี้เป็นบุญญาลิทธิ์ที่แสดงเวลาที่พระ อ, องค์ประสูตใหม่ๆแล้วเรื่องอื่นๆก็มีอยู่เยอะแยะในบุญญาณุภาพของพระโพธิสัตว์เจ้ามาบาังเกิดขึ้นในโลก แสดงให้เห็นว่าพระองค์จะเป็นผู้ช่วยหมู่มนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารอนิได้จริงๆดังนั้นแล้วพระองค์ก็ช่วยคนทั้งหลายพ้นทุกข์ไปได้จริงๆอย่างที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันมาแล้วถ้าคำสอนของพระองค์หากไม่ดีจริงก็จะไม่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ที่คําสอนของพระ อ, องค์จะมีผู้ทรงจําประพฤติปฏิบัติตามมาจนถึงปัจจุบันนี้เนะี่ยก็เพราะว่าพระธรรมนี้เป็นของจริงผู้มีบุญวาสนาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้บรรลุผลตามความต้องการไม่มากก็น้อยเรี่ว่ามีความสุขจิตสุขใจในการปฏิบัติตามธรรมะคาสอนของพระเจ้า ได้จริงๆดังนั้นจึงมีผู้นับถือสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ไอ้พวกเราที่ในปัจจุบันนี้ก็ให้พากันฝึกผลอบรมตนไปปฏิบัติภาวนาไปชำระกิเลสให้เบาบางจากกิจใจใจสงบมีความสุขแล้วมันก็จะเห็นคุณค่าของพุทธศาสนานี่อย่างมหาศาล จะพากันนับถือยกย่องไปจนตลอดชีวิตอันนี้เป็นจุดุลงหมายของพุทธศาสนานดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้